ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทานั้แต่หลวงพ่อโพธิยานในวันนี้คงพูดเรื่องสมาธิิในตอนต่อไปบันก่อนได้พูดถึงคุณสมบัติของพระยะบุคคลระดับโซด บ, บันที่ท่านปฏิบัติศีลได้สมบูรณ์นะฮะสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแต่ว่าศีลนี่สมบูรณ์ก็คือศีลห้านะแล้วก็มาพูดถึง ว่าการพยายามปฏิบัติตในในใกล้ชิดกับพระโสดาบันโดยการพัฒนาปัญญาจนเกิดเป็นสมาธิแล้วก็พยายามรักษาศีลให้เต็มตังกำลังความสามารถที่จะปฏิบัติได้ก็ อ, อย่างน้อยก็ใกล้ชิดความเป็นพร ะ, ะบุคคลหรือทําสถานภาพของความเป็นพุทธบริษัทของเราเนี่ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น แล้วคุณสมบัติของพระารอาจรยที่ชุดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ประสบดับาที่ชุดหนึ่งเนี่ยคือท่านสมบูรณ์ได้ศรัทธาคือความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นของท่านนั้นไม่หวั่นไหวนะในเรื่องคุณของประรัตนาตรายแล้วกระจสิกขาตรงนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าตามปกติแล้วจิตใจของคนมักจะอ่อนไหวไปตามกระแสต่างๆที่บังเกิดขึ้นในชีวิต ของเขาหรือว่าชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยให้เราสังเกตว่าบางครั้งบางคราวก็แสดงให้เห็นว่าเรามีความหนักแน่นมั่นคงในพระคุณของพระรัตนตรัยดีแต่บางครั้งบางคราวก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแออ่อนไหวไปตามกระแสของอารมณ์ที่ที่มาสัมผัสเพราอะไรเพราะว่าศรัทธาเราไม่หนักแน่นมั่นคง แต่ทีนี้ถ้าเราเทียบศรัทธาของประโสดบันเนี่ยประโสดบันสมมติว่านะฮะสมมติว่าท่านเห็นพระภิกษุสาเณรโซนเล่นอะไรอะไรกันเนะี่ยท่านจะเกิดแต่สงสารท่านจะเกิดการุณาที่กจะกสงสารแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ อ, อาจจะบอกกล่าวชี้แนะให้ท่านเกิดความเข้าใจ แต่ว่าท่านจะไม่อ่อนไหวไปตามการประพฤติการด้วยบาตของท่านเหล่านั้นแต่ท่านก็ยังหนักแน่นอยู่ในคุณของพระตานไกรคือแยกออกระหว่างคนกับธรรมะเนี่ยแต่ว่าคนจะมองได้ขนาดนี้มองยากตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเมาโหลลนี่เป็นพื้นนะคนคนส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการเมาโหล ถือหมอรวมก็ไปเลยเห็นพระทำอะไรผิดสักรูปหนึ่งก็ น, นึกว่าพระทั้งหมดก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วแล้วก็อาจจะด่าทออาศัยโอกาสสร้างบาปกรรมให้แก่ตัวเองแล้วในที่สุดมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคือคนเขาทำผิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขา คือในแง่ของความเป็นพุทธจริงๆเนี่ยค่อยมองด้วยเบกขาหรือมองด้วยกรุณาก็แล้วแต่ถ้าเราทําได้นะแต่เราจะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเราก็มองด้วยกรุณาแล้วก็พยายามช่วยเหลือเขาแต่ว่าบางกรณีมันสุดวิสัยที่เราจะไปทําอะไรได้เราก็มองเป็นไปไนตามกระบวนการของกรรมที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้กระทาเอาไว้แล้วก็ศรัทธาที่เชื่อมั่นอย่างเนี้ย มันจะทำให้จิต ท, ท่านผ่องแผ้วเอ่อจนถึงกาแสดงให้เห็นถึงการละของความไม่เชื่อออกไปความเครื่อนแปลงสงสัยออกไปและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือละอโลภะเพราะงั้นพระโสดาบันบางท่านที่ท่านเป็นชาวบ้านแล้วก็มีฐานะยากจนเนี่ยกุเจ้าจึงบัญญัติวินัย น, นะห้ามไม่ให้พระไปบิดเบาทในสกุลของพระเสข หระโสดาสกิตาคารเนี่ยที่มีฐานะยากจนเพราะว่าเวลาท่านเห็นพระแล้วท่านก็ทําบุญหมดอะในวิธีเจะาอดกันใหญ่แเว้นไว้แต่ว่าท่านนิมนต์ไปก็แสดงว่าท่านมีความสามารถที่จะถวายทานได้แล้วก็ไม่ถึงกระเดื่อร้อนก็ให้ไปส่งเคราะห์ได้แต่ว่าโดยยามปกตินี่ไม่ให้ไปบินถ้าปเพราะาเมื่อท่านเห็นพระ สงแล้วเนี่ยท่านจะศรัทธาและท่านจะถวายหมดนั่นคือแสดงว่าศรัทธามันไปถึงจุดที่ไปขจัด ก, กิเลสประเภทโลภะแล้วกิเลสประเภทโทสะเพราะท่านจะไม่กโกรธต่อพระสงฆ์ตอ่อสา ม, มนเนในตะายที่ทำยังไงนะก็มีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสนกับพนางมาริกาเทวีทอดประเนษทาพระแกลได้เห็นทิกสุชัปคคีคือหกหก กุ่มกลุ่มนี้มีพระอยู่หกรูปเจ ก, กะมากส่วนอยู่เรื่อยๆก็เด็กๆกันฮะเว้นต่เด็กๆก็ลงไปไว่ายน้ําในแม่น้ำํำจิระ บ, บันดีพระเจ้าประเทศในกุศลก็รับสั่งวันนี้นี่มาดูพระอราหารันต์ว่ายน้ำดิฉา น, นให้ความรรบราบปะท่านเรียกว่าอราหันต์หมดทนายมาริกาเทวีก็บอกว่าเจลอพระเจ้าจะยังไม่ได้บัญญักิก็วินัยเลยสุดท้ายก็หาวิธีอุบายวิธีนะฮะที่จะ ให้พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพระเราเานี้มาว่ายน้ําเล่นกันก็ส่งคนไปนิมนต์มาในหวังทั้งหมดแล้วก็ถวายน้าอ้อยงบให้ฉันฉันอิ่มแล้วก็ฝากไปถวายหลวพ่ทพเจ้าฉันเสร็จนะฮะไม่ใช่ฉันอิ่มฉันเสร็จแล้วก็ไปถวายหลวพ่อพเจ้าฝากไปถวายพระพเจ้าก็ทําให้พระพุทธเจ้ารู้เนะี่ยแล้วก็ส่งประลบเรื่องนี้ก็บัญญัติห้ามไม่ให้ที่สุว่ายน้ําเล่น เห็นไ่าถ้าเกิดกรุณาท่าเกิดหวังดีท่านไม่เกิดความโกรธอะไรต่อพระที่ไปทําไม่หมกไม่กวัอย่างนั้นลองนึกภาพดูว่าถ้าคนสมัยนี้ไปเจอพระทําอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหขงด่ากันหันแหลกหมดนังซือพิ่มกรพัตรโวตัวไม้ได้หลายวันนี่ยนะะแล้วก็ไม่รู้เป็นอาถรรมตรงไหนเหมกันไม่รู้เป็นอาถรรมตรงไหนเหมือนกันนั่นก็คือคือพลังของศรัทธาของท่านเนี่ยมันไปขจัด มันไม่ใจกระจัดก็คือสงบหมายความกิเลสประเภทเนี้ยประเภทไม่เชื่อประเภทเครือแคลงสงสยัยประเภทโลภะประเภทเ อ, อโทสะเนี่ยมันบรรเทาบรรเทาลงไปจนอยู่ในอำนาจการควบคุมของท่านประโสดาบันท่านจึงเรียกว่าโสตาปัตติยังคะนะฮะคือเป็นคุณสมบัติของประโสวดบันโดยองค์ประกอบของความเป็นประสวดบัน เดียวก็อยากจะนำท่านผู้ฟังเรมองลดหลั่นลงมานะฮะในสารีปุตสูตรท่านได้แสดงถึงคล้ายๆกับบันไดนะฮะบันไดที่จะไต่ขึ้นไปสู่ความเป็นประสรบันแล้วก็ปัญหาเลวประสักด์ที่ทำให้คนไม่สามารถจะเข้าถึงกระแสของปณิพานได้เนี่ยก็คือ ทรงแสดงไว้สี่ข้อนะฮะเรามองมองอีกด้านหนึ่งก็คือกลายเป็นอุปสรรคปัญหาอุปสรปรคแต่มองอีกด้านบวกก็คือบวกนะฮะมองด้านลบ ก, ก็จะเห็นลบคือว่าท่านจะสะท้อนภาพด้านเดียวในกรณีที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการบรรุมกผลเป็นพระยาบุคคลระดับโซดาบันขึ้นไปเคือหนึ่งต้องก็เรียกว่าสัพปริสังเสวะคือคบหาสมาคมกับสัตว์ประห ผ่านสมาคมคนดีเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตที่มีจิตใจเมตตาอนุเคราะห์หวังประโยชน์คือคูณระบุคลเหล่านั้นการครบก็คือการเข้าไปหาการนั่งใกล้การอยอมรับนับถือสถานภาพของท่านเรืนี้เป็นเรื่องไรนะฮะถ้าเราไม่นับถือแล้วมันเชื่อมโยงอะไรได้ยากเพราะฉะนั้นจะต้องมีความเคารพนับถือในตัวของท่าน แล้วก็สัทธารรมาสวันาคือฟังคําสั่งสอนของท่านด้วยความเคารพท่านสั่งสอนท่านแนะนําท่านบอกบอกกล่าวท่านตักเตือนอะไรเนี่ยฮะเราก็ฟังด้วยความเคารพที่เมื่อเราฟังด้วยความเคารพก็นําสิ่งเหล่านั้นมาคิดเขาเรียกว่าโยนิโสปนสิการาเนี่ยก็นำมาคิดเป็นระบบของการคิดที่มีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขในการคิดคือมองไม่ได้มองเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งฮะไม่ได้มองเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คืออย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนเรื่องการไปรูปการศึกษาเนี่ยที่จริงเนี่ยจากการสังเกตหน่วยงานราช ก, การเวลานี้มีอยู่หลายหน่วยงานแล้วก็พบเอกสารแล้พบหลักฐานนะฮะว่าการปฏิรูปมาลึกลวงลูกลึกมาถึงศาสนาศิละปะวะตัตนธรรมเนียมีคนเห็นว่าเยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนละเรื่องเดียวกัน ศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ต้องสืบสารและอนุรักษ์ศาสนามีความสมบูรณ์แล้วคุณมาปฏิรูปทําไมอ่ะวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องสืบสารและอนุรักษ์ศิลปะในเรื่องสืบสารอนุรักษ์คุณจะสร้างใหม่ก็ได้วัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ตอนปลายยหรือบอกพอศก็ได้แต่สร้างขึ้นใหม่ก็ได้แต่ว่าคุณไปปฏิรูปเขาไม่ได้หรอก มันเป็นร่องรอยแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติที่มันผ่านยุคสมัยมาจะดีชั่วดีทีหังยังไงก็คือนั่นคือวัฒนธรรมคือศิละปะกรรมทีนี้เวลาพูดเนี่ยไม่พยายามทำความเข้าใจแล้วก็คิดว่าคนอื่นโง่นะก็ยังนึกถึงท่านสารนาสปนแจ่มท่านเขียนไว้ในอุทันธรรม พอพูดไปเขาไม่รู้กับครูขอว่าโง่เง่างมเ ง, งอะเสซร์นักหนาตัวของตัวทําไมไม่โกรธท่าว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจคือประเด็นที่เราต้องการถามมากที่สุดเนี่ยคือถามว่าในเมื่อนเนื้องงานเนี่ยมันเป็นพุทธศาสนาเรื่องงานในกฎในแต่ที่ยกลางมาเนี่ยมันเป็นเรื่องงานของพุทธเนี่ยฮะประเทศไทยนั้นเป็นชาวพุทธอยู่เก้าสบกว่าเปอร์เซ็นต์ 94เอาเราให้ 94% แน่ๆศาสนาพุทธอยู่ในประเทศไทยมา 2,200 กว่าปีเพราะในศินละปะมันก็เป็นศินละปะของพุทธวัฒนธรรมก็วัฒนธรรมของพุทธพวกนี้มันเป็นลูกของศาสนาไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตามนะเราไปทางยุโรปเราจะเห็นว่าเป็นศินละปะวัฒนธรรมของคริสต์เราไปทางตะวันออกกลางประเทศต้องสือสลามเราก็เห็นวัฒนธรรมก็อิสลามของเขา ศิละปะของอิตามีเขาเมื่อก็รู้ก็เข้าใจมันก็ธรรมดานะฮะมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าทําไมคุณเอ า, าศาสนาอื่นมาเป็นกรรมการร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านาศนาสนาศิละปะแล้ ว, วัฒนธรรมละ่ะในเมื่อไม่ใช่งานของเขาว่าคุณเอาเขามาทําไมไม่มีกฎหมายรองรับ และตํานูนก็ไม่อนุญาตอนุญาตไว้คุณจะอ้าง ว, ว่าและตรรํานูนมาตาราที่เจ็ดสามก็ไม่ใช่ก็ให้แค่อุปถัมภ์คุ้มครองแต่ น, นั้นเด้งคุณเอาแปดสามในแปดยิ่งเละใหญ่เลยเพราะนั้นเขาพูดเรื่องสิทธิในการนับถือศาสนาการปฏิบัติพฤติกรรมทางศาสนาตามความเชื่อถือของตัวเองเอ่ะใครจะทําไงก็ได้เรื่องของเขาย้ายขาดหรือแย่งกอนศีนลธรรมอันดีของประชาชนก็ได้แกน ไอ้คือประเด็นที่ที่ที่เขาพูดนีแล้วก็พยายามจะหลบประเด็นเพราะอะไรเพราะขาดโยนในสมรรถจิการคือพูดเรื่องเดียวกันประเด็นที่เขาถามเนี่ยมาถามตั้งหลายครั้งแล้วคุณจะให้บริหารยังไงแล้วทําไมไม่เอาองศาสนาอื่นมาด้วยทําไมเอามาเฉพาะของพุทธเมื่อบริหารร่วมกันก็ต้องมาอยู่ร่วมกันแล้วทําไมต้องมาอยู่ร่วมกันก็ทําคนต่างอ ย, ยูงไง ก็อยู่ยังที่อยู่มาเนี่ยอยู่มาตั้งพันกว่าปีนะเนี่ยสองพันกว่าปีได้เนี่ยก็อยู่กันมาได้เนี่ยคุณเป็นใครละ่ะเออคนแค่หกแปดเก้าคนนั่นเองทําไมไมันใหญ่โตมหูาลานขนาดนั้นนะมันกระทบกระเทือนต่อประเทศทั้งประเทศอ่ะคุณเป็นลูกจ้างของแผ่นดินแต่นั้นเองคุณไม่ได้ใหญ่โตมาจากไหนไมันต้องเข้าใจอย่างงั้นแต่คนที่ดูแลศาสนานเนี่ยเขาไม่ต้องเสียค่าจ้างนะ ก็ทํางานศาสนาโดยไม่ได้มีเงินเดือนอะไรเพราะะนั้นเป็นความรู้สึกที่เรามีสิทธิ์รู้สึกเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพูกคุณเน่ยแล้วคุณก็ไม่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นพุตที่เคร่งครัดดูแลใจใสประสาทนาอะไรคุณไม่เคยไม่เคยเห็นคุณร่วมกิจการในศาสนาอะไรนี่คือสิ่งที่ต้องมองนะฮะต้องมองที่ตัวเองบ้าง ไม่ใช่ไปไปโทษคนอื่นด้วยคือโยนในโซนนักสิการเนี่คือการมองมันเป็นระบบมันมีกฎเกณฑ์มันสืบสาวะถึงที่ไปที่มาเราก็ตั้งปัญหาถามตั้งหลายข้อนะไม่ตอบเลยแล้วก็หาเราเข้าใจปิดตลอดมันก็เรื่องแปลกนะนี่คือปัญหาเพราะโยนในโซนนากสิการเนี่ยมันเป็นหลักการสําคัญในการคิดที่มันเป็นระบบในการคิดก็มองรู้น่ะตรงไหนเป็นปัญหามีปัญหาไม่จะโง่เง่าตรงตุนหมดอะ แต่บ้านเมืองมีเฉพาะสปะสก็เสร็จแล้วบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้หรอกมันมีคนเยอะนะฮะที่เขารู้แล้วก็รู้ดีกว่าพวกคุณก็เยอะในบ้านนี้เมืองนี้ไม่ต้องไปกลัวหรอกนั่นคืออยู่ในส่วนราการแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องธรร ม, มนะนธรรมะปฏิบัติี๋ยอต้องปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมนั่นๆั น, นเหตุผลอะไรเหตุของอะไรอะไรผลของอะไร ฐานะของตนเป็นยังไงความเหมาะความควรเป็นยังไงกาลเทศะเป็นยังไงกลุ่มคนบุคคลนีนเราเข้าเกี่ยวข้องในขณะนั้นเป็นยังไงเมื่ต้องมองเห็นทั้งระบบแล้วปฏิบัติทําให้เหมาะสมแก่สถานะเหล่านั้นคือไม่ใช่ว่าจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะมันขึ้นอยู่กับกรณียังวันก่อนเนี่ยไปต่างจังหวัดก็มีพระ สมเด็จราชาคณะองค์หนึ่งท่านไปในนามคือไปแทนนะฮะไปแทนสมเด็จพระสังฆราชที่เราถือว่าท่านเสด็จแทนและเป็นพิธีกรรมอย่างนั้นนหละเราสแสดงความเคารพแต่นั้นเองเราไปชวนคุยไม่ได้มันท่านมาในนามในพระนามของสมเด็จพระสังฆราชและในพิธีกรรมวันเราก็ต้องให้ความเคารพมาก็ยุกขึ้นยกขึ้ น, นถาวายความเคารพยกมือไหว้ แล้วก็ไม่เข้าใกล้อะทั้งนั้นที่คุ้นกันทำงานมาด้วยกันตั้งหลายสิบปีนะะเอาา๊ะไม่สุวนตัวแต่เราเน้นว่าพฤติกรรมเล่านั้นก็เล่นบทสังกัลลัสจิวะแต่เรามันก็คือพระรูปหนึ่งแท่านั้นเองจะไปชวนคุยในพิธีงานอย่างนั้นไม่ได้ยังถือว่าปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ทำคือกาละไม่ให้เทศะไม่ให้บุคคลไม่ให้กลุ่มคนไม่ให้ เรื่อการชาเหตุผลมันก็ต้องเหมาะควรแก่สถานะของเราว่าในขนาดนั้นเราเล่นบทอะไรอยู่อะเราเล่นบทผู้เยา้าแล้วก็มีแขกผู้ใหญ่มาเยือนมาในานามของพระนามของตุ๊ดเดประถางการาสกุลมาสังเวยนายกแล้วก็ถวายความเคารพแล้วก็อยู่ในจุดที่เราควรจะอยู่เดียวว่าเป็นการเหมาะกันควรอันนี้คือคือหลักการสาคัญ รเรด่นว่าถ้าเรามีตรงนี้นะฮะถ้าเรามีตรงนี้ประการที่สำคัญอย่าอย่าลืมว่ามันการฟังคําสอนในการเข้าหานี่มันแสดงถึงพลังศรัทธาการเข้าหาสัตรบุรุษการเบหาสมคบกับสัตว์บุตแสดงถึงพลังศรัทธาการฟังคําสอนของท่านเนี่ยแสดงเรงพัฒนาการนาตปัญญาการนํามาคิดก็เป็นจินตามยาปัญญานะฮะแล้วการนํามาปฏิบัติก็เป็นภาวนามยาปัญญาเห็นไหมมันก็กลายเป็นเรื่องศรัทธากับปัญญา ธรรมะทั้งหมดเนี่ยสี่ข้อเนี่ยมันเป็นศรัทธากับปัญญาแล้วทีนี้พอศรัทธากับปัญญาเขาออกมาเต็มที่ก็อย่างนี้บอกไว้ในวันก่อนว่ามันก็กลายเป็นทิฏฐิสัมปันนะคือสมบูรณ์ด้วยความทิฏฐิคือความเห็นแล้วก็เป็นศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวธรรมะเนี่ยเขาจะเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นปริยาที่แสดงโดยนิยะหนึ่งนยะหนึ่ง ตรงนี้แสดงในยะนี้ตรงนี้แสดงในยะนี้ตรงนี้แสดงในยะนี้ก็แล้วแต่ว่าจะทรงแสดงยังไงเพราะถ้าหากว่าพยายามเพิ่มพูนศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยคืออย่างนี้ว่าเอาขนาดนี้เอาขนาดว่าเชื่อมั่นในพระพุทธคุณไม่ละ พุทุนแต่ละข้อที่เราสวดเนี่ยถามใจเราเองว่าเราเชื่อหรือเปล่าเนี่ยที่ว่านี่อรหังสมาสมบุตทรท ว, วิชาเจานะาสัมปโนสุกโตโลกาวิรูนุตโรปริสธรรมสซาลติสธาเดบมนุสธรรมุทโตปะกวาตินี่เชื่อหรือเปล่าแม้พระเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระหันสัตว์รีสั ร, สรชอบโดยปรุงเองสมสมบุญวิชาและจรณนะะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสรารถีที่ฝึกบุคคลที่ควรฝึกไม่มีสรารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้อื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมแล้วก็เป็นผู้มีโชคเนี่ยเราเชื่อตอนนั้นหรือเปล่าถ้าเชื่อตาม น, นั้นก็แสดงว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราอย่าไปใช้ปัญญาเองเนี่ยคือตราใดที่เรา ยิ่งไม่ใช่คือพระอาหารหันต์นี่แปลกนะฮะไอ้เคยจับสังเกตว่าพระอาหารหันต์่แปลกแค่ภาษาดิบุตรเนี่ยเป็นรองจากพระพุทธเจา้าทีเดียวแต่เวลาท่านสอนธรรมะอะไรแสดงธรรมะอะไรในสํานักของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรับสางให้ภิกษุไปกราบทูลถามพระเจา้าอีกตอนไหนพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ายังไงก็ให้ถือตามปฏิบัติปฏิบัติตามมาอย่างนั้นแต่ท่านเองนแสดงตามพระพุทธเจ้าทรงสัง่งตอนทุกตัวตรัส เรียวแสดงเหมือนกับตัวต่วตวอสอนนะเอ้คือหลักการในการเผยแผ่พระ ส, สาทศรัทธาเวลาเนี้ยที่จริงมันค่อนข้างยากมันก่อมีพวกพวกเขาเอาไอา้หิวมือทอกอะไรต่ออะไรทอกๆต่างๆกันเนี้ยโปรคัสตาบิตเอามาให้ก็เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดไปบรรยารถต่างจังหวัดอามาชอบออตมาเนี่ยนักเสียเทพอะไรต่ออะไรเนี่ยไปฟังฟังในรถ เราอ่านหนังซือรถมันเขยา่าอ่านไม่ไหวก็นั่งฟังธรรมะไปคนมันสนุกสนานแต่เรามองถึงสาระแก่นสารนี่มีน้อยจังนะฮะยังนึกว่ามันเนื้อไม่่อยมีมีแต่น้ำน้ำที่เหลวไหลด้วยนะแต่แปลคนชอบคนชอบฟังในเรื่องเหล่านี้ลงทุนลงแรงนะฮะเข้าไป แต่เขาก็ไม่เคยถามนะฮะมันเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของเขาเขาไม่เคยถามมันเขาได้อะไรมันได้ประโยชน์อะไรอ่ะมันเสียเวลาไปนั่งฟังในเรื่องรายสาราอย่างเงี้ยแต่พวกนี้ประกอบธุรกิจรวยนะอะยางนึกถึงคนคนหนึ่งที่เอ่ออันนี้ยแบบบรร ญ, ญาอย่างเงี้ยมีเงินเป็นหลายสิบล้านนะไม่ใช่ธรรมดานะีมีเงินเป็นสิบสิบล้านเลยทั้งทงที่ว่าฐานะเดิมก็ไม่มีอะไรอ่ะ นั่นก็แสดงว่าคนก็ชอบแต่แนวนี้แต่ว่าพอพูดเรื่องหลักการกฎเกณฑ์ต่างๆระเบียบแบบแผนต่างๆซึ่งมีที่ไปที่มาเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยอย่างการีของฟิสุนีนี่ว่าคน พ, พูดกฎเกณฑ์ก็โกรธนะฮะมันตัวอยู่นอกกฎเกณฑ์ถ้าพวกตัวเองอยู่นอกกฎเกณฑ์ก็โกรธว่าเราไปยึดถือทำมินัยมากเกินไปเพราะเราไม่ไม่ยึดถืออากระดาอีกแหละเพราะพระธ่ละเมิด ศีลต่างๆที่หนังสือพิอามธรรมดาเนี่ยคือพระที่ละเมิดพระธรรมวินัยเอาไปถึงพวกของตัวก็ขอให้ลดหย่อนพระธรรมาินัยเอะ๊ะไม่รู้จะเอาอยัางไงเข้าใจยากจังนะฮะนั่นคืออะไรคือสแสดงว่าศรัทธาเราเองนี่งอนแง่เพราะศรัทธาเนี่ยก็จะเกิดระนาบเดียวกับปัญญาแม้ควาศรัทธาเพิ่มปัญญาก็เพิ่มปัญญาเพิ่มศรัทธาก็เพิ่มนะ เพราะว่ามีความผ่องใสภายในใจด้วยกันและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือขจัดกิเลสประเภทโมหะด้วยกันนะความไม่เชื่อก็เป็นอาการของโมหะความเ ค, ครือบแคลงสงสัยก็เป็นอาการของโมหะปัญญาเองเนะฮะก็ขจัดโมหะอยู่โดยเฉพาะอยู่แล้วดังนั้นเรื่องของคุณธรรมของมัสสดบันเนี่ยคือมีศรัทธาเชื่อมั่นในวันไวในพระพุทธเจ้าในคุณก็มารมในคุณก็ระสง่์ในใจสิกขาเนี่ย ถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้นะแล้วก็พยายามรักษาระดับความเชื่อให้เข้มข้นไว้โดยลําดับเนี่ยมันก็เป็นบริเวณปลอดภัยปลอดอันตรายไปเยอะเพราะอะไรเพราะว่าการดําเนินชีวิตของเราก็จะอยู่ในคันลองแห่งธรรมตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างนี้ก็คืออย่างนี้นะตรงนี้พระบาลีปรากฏว้อย่างนั้นก็คืออย่างนั้น มันไม่ใช่้างเฉพาะที่เป็นประโยชน์แกตัวเองนะฮะที่ที่เล่าถึงหลวงพ่อที่ว่าเนะี่ยฮะดันดันบอกว่าอโทสะโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นอุปากรเลนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่อุปามันยปยไ ด, ด้งหลายคำมันไอโลภะโทสะโมหะมันตัวเป้งเลยนะตัวเป้งเลยแล้วท่านกระจายเป็นสิบหกมันก็ไม่ได้แปลกอะไรพระพุทเจ้าก็แสดงเองทางนั้นแหละทรงแสดงปริยายไหนล่ะ ก็แล้วแต่แต่เราอยากลองสังเกตว่าโดยเนื้อหาธรรมะแล้วก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นแหละแม้จะแสดงเป็นสิบปุกแม้จะแสดงเป็นพันห้าร้อยก็ก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นแหละนี้เมื่ออยู่ทีปัญญาในการมองแบบโยนินสมนสิการคือมองให้เห็นเป็นกระบวนการเป็นระบบแล้วก็จะมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นพราะาเรื่องศรัทธาก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเรื่องจะเกิดขึ้นไปในจิตใจของ ผลระดับประสดบันเนี่ยมันแสดงทำให้ศีลของท่านสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณดังกล่าวเท่ากังเป็นไรแต่หลวงรอโพธยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านพวกฟังนั่งลายโดยทั่วกันสวัสดี